เมื่อแปลเป็นภาษาบาลีมาเป็นไทยได้ไหมสงสาวกของพระภูมภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วเขาว่านั่นคือในกยในขอนางกอนางข อ, งข อ, งขอปฏิบัติดีท่านเองปฏิบัติดีแล้วพุทธชุปฏิปโนพระกวาโตสาวะกัสังโธแปลว่าสงสาวกของพระภูมภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วคือตรงตัวตั ว, ตวเองตรงต่อคํำพูด ตรงต่อจิตใจนึกคิดตรงต่อการกระทําตรงต่อพระพุทธเจ้าตรงต่อพระธรรมตรงต่อพระสงฆ์แต่เราปฏิบัติตรงต religion, จิตใจจึงจะเป็นอิส corps, ระ <acked> <OW> ไ, ได้ถ้าไม่ตรงต่อพระพุทธเจ้าไม่ตรงต่อพระธรรมไม่ตรงต่อพระสงฆ์ไม่ตรงต่อการทําการพูดตัวเองแล้วไม่ใช่ตรงจิตใจบรรคุอะไรปิดบดบังไว้จิตใจจะป็นอิสระได้ ดังนั้นคำว่าอิสระอิสระนี่ไม่ใช่ว่าอิสระอยากทาอะไรทำไปอยากพูดอะไรพูดไปอยากคิดอะไรคิดไปอ น, นันอิสระโดยปลอมแปลงมาให้เข้าใจว่าจิตใจเป็นอิสระเนี่ยไม่ถูกสิ่งที่ปรุงแต่งลากไปสู่ความผิดทานว่าจิตใจอยูนอิสระจิตใจไม่ไม่ถูกป้าบังไม่อยู่ในถ้ำมันสว่างอยู่เลย อันท่ำน่นก็หมายถึงคนเกิดมาเนี่ยมันไม่รู้อะไรเกิดมาเนี่ยกินไม่เป็นอะไรไม่เป็นพ่อแม่ป้อนข้าวเนี่ยเนี่ยคุณค่าของพอ่อของแม่กี่อยู่มากพอ่อหลวงพ่อสอนคุณบิดาคุณมาดาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณดวงคิดดวงจันทร์ท่านพูดไปหลายเรื่องเนาะคุณพระพุทธเจ้ามาคุณบิดามาดาเขามา เว่าคนไม่รู้จักไม่รู้จักพระพุทธเจ้าอยู่ในตัวเราไม่รู้จักบิดามารดาอยู่ที่ตัวเราไม่รู้จักเรื่มันไม่เคารพเมื่อคนไม่เคารพอย่านั้นก็เหมือนกับเากสารมันตกอยู่ในถ้ำเหมือนมืดแล้วคนเกิดมาเนี่ยมันไม่มีความสว่างเลยแต่เรื่องความไม่มีทุกข์ใจที่อิสระนั้นมันมีมาแล้วแต่ไม่มีใครคนพบมีเจ้าชายทิศตะกุมมานี่แหละคนอินเดียคนพบ ก็เลยพูดติดๆกันมาในเมืองไทยกนรับเอาศาสกราพุทธมาแต่มาทำก็เลยไม่ตรงควมสับสนรุ่นลายควมขัดเคืองควมเด็ดล้อยตามเข้ามาไเป็นอย่างนั้นไม่รู้จากการวิวัฒนาการไม่รู้จากการพัฒนาให้มันดีขึ้นพอหลวงพ่อพูดให้ฟังคนเกิดมาเป็นคนตาวชอบใครก็แตงานไปเลยบัด น, นี้ลูกอยู่กับผู้หญิง พอนี่ไม่มีลูกเลยผู้หญิงไปที่ไหนมันมีคนพูดพูดกับลูกกันได้มันก็สบายใจวันนี้พอไม่มีคนพูดไปคนเดียวหากินจับตัดกินป้ายอยู่นั่นเขาครัพอเราให้จลูกกับแม่นี่มันพูดอันจับอันนั้นให้แม่บ้างจับอันนี้ให้ลูกบ้างมันจับให้กำลังกับพูดกันไปได้วันนี้พูดสายไปไม่ได้เราไม่มีเครื่องจำเป็นต้องมีคู่หัวตัวเมียบางครั้งนี่คนมันหลงหมือน พอดีมีคู่ครองกันมาแล้วเอาผู้หญิงต้องอยู่ในอำนาจของผู้ชายให้ผู้ชายดูแลการดามาหากินการตายกันมาให้ผู้ชายดูแลให้ผู้ชายให้คมสุขให้ผู้หญิงให้ผู้หญิงให้คมสุขผู้ชายคนนั้นเขารู้จักการพัฒนาขึ้นมาวันนี้ต่อมามีคนที่ไม่ดีเอาวะไปอยู่ด้วยกันติดคนให้ซื้อสัตว์สุจริตต่อกันนอันนี้พอเราให้กำคนหนึ่งเหมืนขี้เหร่ถึงฝนตก ฟ้าลมมาแล้วไปเก็บออกผลไม้ในป่านอนตึงสายเพื่อนเก้าคนไปหาเจ็บมาคนที่ขี้เกียจมันก็ น, นอนคอยลักเอาของคนคอยลักกินวันนี้ทางเก้าคนที่ทุกคนเป็นอไรก็เลยพูดให้มันตั้มใครมาเอาของเราเนี่ยไม่รู้ผีมาเอาหรือก็ไม่รู้เกกทวดามาเอาก็ไม่รู้แน่เขาอยู่ยามกันมาทางเก้าคนอยู่ให้เห็นทุกคนวันนี้คนนั้นอยู่วันนี้มันอยู่ถึงเก้าคน ก็เห็นอิตาคนนั้นมาอิอตาคนนี้ออกของร้นให้หนีไม่ให้อยู่หนีไปอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวมันอยู่ไปได้กลัวฝนตกวาลองกลัวแผ่นดินไหวกลัวภูเขาไประเบิดลับสารพเนี่ยเขาว่าอันนี้เขาว่าขดหมายหักโทษให้อภัยแกเขาบ้างเมื่อเขาทําผิดเมื่อเขาตระหนักผิดแล้วก็ให้อภัยอยู่ไม่ได้มาขออยู่กับพรรคพวกจะไม่ทําต่อไปก็เลยไม่ทำต่อมาบนอยมีคน เนี่ยเขาไม่ได้มีปานานะมีกามีอาชินาการมีมูธท้าสุราอะไรแปานา น, มานาไม่มีจะมาแนะนำปัญญาเขาไม่ว่าถินเขาว่าทําไม่ดีต่อมาคนหนึ่งไม่ว่าลูกใครเมียใครใครใครเขตามเนี้ยมันทําไปลูกคนนั้นกขาพูดลูกคนนี้เขาพูดเมียคนนั้นเขพูดมไม่ดีไร่หนีให้ไปอยู่คนเดียวอยู่ไม่ได้เมื่อสนึติได้กับขอมาอยู่กับมูออภัยโทษให้ให้อยู่ก็ได้ ต่อมาคนนึงไปที่นั่งก็ว่าเห็นอันนั้นไปที่นี่ก็ว่าเห็นอันนี้เป็นคนขี้ตัวบ้านเรานี่ยขี้ตัวคนโกโหกนี่คุณไม่ เ, เพื่อนไปดูไม่เห็นไม่ไมีวันไล่หนีเนี่ยเป็นบาตนี้เดิมนำเมาไปไปทํากันด้วยกันทั้งหมดทุกคนไปเห็นนกมันกินน้ําอยู่ตามโรงไห ม, มก็เลยพาไปกินกินก็เลยเห็นว่ามันสนุกสนานนี่ก็เลยกินแล้วก็เลยเสียใาจ ก, าก็เลยสนุกสนานป้อนขับลําทําเองอะไรต่า พอดีตกเย็นมันก็มาไม่ได้ผลละไม่อะไรมาให้ดูให้เห็นเดือดร้อนก็เลยพากันงดคนป่ากขยังรู้จักการพัฒนาก็ขึ้นจนถึงเป็นประชากรอย่างนั้นคนนี่เกิดมาไหม่รู้จักเหมือนกับอยู่ในถ้าถ้ำเนี่ยมันมืดมิดมานานะคนเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่ได้ถูกพรมเปิดเผยไม่ได้ถูกควา ม, มสว่างเลยเหมือนกับอยู่ในถ้ำบัดนี้เราเป็นคนไทย ศาสนาพุทธต้องให้รู้จักมีการเปิดออกมามีการไขออกมามีการพูดจริงทําจริงแก้ปัญหาตัวเองแก้ปัญหาตัวเองแล้วแล้แก้ปัญหาสังคมเมื่อแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้จะไปแก้ปัญหาสังคมมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นละัะพุทธศาสนาจึงสอนให้คบกบัณฑิตไม่ให้คบคนทานคนทานภายนอกนะกินเล่า เที่ยวกลงคืนเล่นกันพันน้ำควบคนตัวเป็นนี่อะไรเราอ้ออบัยยมุกตาอันนั้นเป็นคนพานไทยนอกแต่คนพานไทยในยเราไม่เข้าใจเลยคนพานภายในคือใครก็คือถ้ำนั่นเองอยู่ในถ้ำมืดคือเจ้าโทสะเจ้าหมวกนะเจ้าหลวงพาเนี่คือคนพานไทยในจริงว่าอาเสวนาจาราลาพาลาเป็นคนพานคนพานภายนอกเราหนีได้สบายคนพานภายในนี่เราลุกมันลุกด้วย นั่งมันนั่งด้วยนอนมันนอนด้วยไปไหนมาไหนมันไปด้วยเ่าคนทานไทยนะเรียกว่าเจ้าโสดเจ้าโมหาเจ้าโลภะเนี่ยเป็นคนทานไทยไหนะดังนั้นมงคลสามสิบสามสิบแปดด้วยไงสามสิบแปดจีวาอาเสวบันาจัารานังบัณติตามจาาัตเถ ว, เวนนะบันาปูชาจะอาเสวบันาอาเสวบันนาเนี่ยแปลว่าเปนผ่าผ่เสว จะพาลานั่งเสดอาเสวันนาจกพาลานาพาลาไปทบอาเสวันนาแต่เขาเสดอาเสจัาจพาลานัเข้าเสดพระคนพาลนี่แบบคนพาลมันพาไปทาผิดกระเจ้าโธสัเจ้าโมหะเจ้าโลภะนี้เป็นคพาพาไปทำผิดบันฑิตานั่งจากเวน an ana, าบ nah, ัดิตกับเปวนนักตาเฉวนาแบบเขาเสดเข้าเสดดิเรศติปัญญา คนใดมีความรู้สึกตัวตื่นตัวอัชนาตัวคนใดมีความรู้สึกใจตื่นใจอัชนาใจได้เนี่ยเขาเรียกวบัณฑิตบัณฑึกเขามีอยู่ที่ตัวเราเราไม่สอบไม่แสวงหาก็เลยมืดตื่ออยู่อยู่ในธรรมนั่นเองจะมีเงินมากๆก็มืดอยู่อย่างนั้นจะเรียนหังสืมากๆก็มืดอยู่อย่างนั้นเป็นคนจนก็มืดอยู่อย่างนั้นเป็นคนไม่จนพอปานกลางก็มืดอยู่อย่างนั้น คนเรียนหนังสือพอต้องการพอมืดออยู่อย่นั้คนเขียนหนังสืออ่านหนังสือไม่ได้เคยยังหลงพอเมืด อ, อยู่อย่างนั้นแหละนี่เขาว่าถ้ำมันถ้ำภายนอกมันก็นมีแต่ถ้ำภายในเนี่ยทําไมเราจะไม่เข้าใจเพราะเราไม่ศึกษาตัวเองเมื่อเราเข้าเห็นถ้ำไปในถ้ำเรามีไม่ขีดไฟหรือมีเทียนจุดปั๊บเข้าไปพวามมืดมันหายไปเอง ความโง่มัก็จะหายไปเหมือนกันนั่นเลยดังนั้นพระสงฆ์หรือพระธรรมพระพุทธเจ้ามีที่ตัวของเราป้วงตอกนาวานาคือมีพร้อมแล้วให้เราศึกษาได้ทุกอย่างถ้าเราไม่ศึกษาที่ตรงนี้ค่ายค่คือเราอยู่ใน้ำหรือค่ายค่าคือเป็นตักในรักษาที่มันจะไม่รู้จักหายมันจะไม่รู้จักพอมันมันจะไม่รู้จักแม่มันมันจะไม่รู้จักไครทั้งหมดเลย มันกระทำไปตามใจชอบอ่ะอันนั้นไม่ใช่ผลแต่คนไม่เห็นถ้ามันมีตาคิดคนมีตาคิดจึงเห็นต้องเห็นใจใจมันคิดมันไม่มีตาคิดมันจะเห็นได้ไงมันก็ต้องเห็นแค่รูปแข้ขาหน้าตามือเท้าเท่านั้นเองคนมีตาคิดจึงเห็นจิตใจตัวเองกําลังนึกกําลังคิดในทางที่ผิดในทางที่ถูกต้องต้องเห็นผู้หนูตาคิดทันวันทันเวลาคนท่าคำผิดพูดผิดคิดผิ ด, ผด ไม่เห็ น, น, หน จ, จิตเห็นใจตัวเองเพาว่าสัตว์เดรัจฉานมนุษย์ตาเดรัจฉาโอมนุษย์มนุษย์ถึงแต่แค่งขาหน้าตามีเท่าตัวใจจิตใจเป็นสัตเดรัจฉาบวันนี้คนทำดีพูดดีคิดดีเห็นจิตใจตัวเองนึกคิดมีเฮลี่มีคมละอายเฮลี่คมละอายใจใจเขาเป็นเทวดานยกมือไหว้ตัวเอง เทวดาก็อยู่ที่นี้ยศสมมุติกะเทวดาอุปติกะเทวดาวิสุทธิธเทวดาคนมีตาทิพย์จึงเห็นคนไม่มีตาทิพย์มจะเห็นทําไมคนไม่มีตาทิพย์ก็เรียกคนฐานจะ อ, อาศัยวรนนาจะพาลามเนี่ยคนมีตาทิพย์จะว่าอย่างไรก่อนบัณฑิตานันจารเสว น, นาภูษาจากทันวะโยปูษาตัวเองเขาลบตัวเองไหว้ตัวเองยกมือไหว้ตัวเองบั น, นทิธทํามาไหว้ตัวเองทําไมวะเนัย่ย เราเกิดมาเป็นคนใด้พอเอพราะเด็กพ่อเราแม่เราทําให้เราเกิดขึ้นมาแล้วเราต้องศึกษาแต่คนเรือนี้เขาไม่ได้พูดอย่างนั้นคือเขาพูดสามาลุกใจที่หลวกพ่อนำมาเล่าให้ฟังพูดด้วยความจริงใจนานๆจ น, นได้มามาแล้วก็จะพูดคนจริงอยากให้พวกเราเนี่ยถึงจะเป็นคนคุมน้อยก็าตามมันเป็นลูกตุ้มเหมือนลูกตุ้มสิ่งเนี่ยลูกมันหน้าก็ตามมันจะท่วงน้ําหนักสิโตโได้ น้ำหนัก20กิโลได้นั้ำหนัก100กิโลก็ได้เพียงลูกตุ้ม <S <S ถึงน้อยๆมันท่วงได้ดังนั้นเรื่องสวัสดิ์ก็ตามเรื่องนิพพานก็ตามมันจะท่วงไว้ให้คนยับยั้งได้ไม่ให้คนตายเร็วให้คนทําคนดีได้ทันวา่าจะมาเรืสวัสด์ก็ตาม 3, นิพพานก็ตามมันเป็นลุกตุ่มพ่วงไว้ให้โลกจเจริญขึ้น <S <S <S เดี๋ยวนี้โลกจเจริญมากแต่ความเล็วลายก็ยิ่งมากเพราะเรื่องไป คนเรื่องคนไม่ศึกษาหลักพระพุทธศาสนานั่นเองเราเคยได้ยินพระฆ่ากันตายก็มีเอาปืนไปยิงกันตายก็มีไม่ใช่พระอันคนธรรมดานเนี่เองมันสมมุติขึ้นมาให้เรารู้จักสมมุติจริงๆถ้าเราไม่สมมุติจริงๆเราจะไปติดรูปแบบอันนั้นแต่เราก็ไม่ได้ไปทําลายให้รู้จักสมมุติแล้วเราไม่ทําลายสมมุติแต่ให้รู้จักอันนั้นเป็นเพียงสมมุติเราต้องรู้จักตัวพระจริงๆอยู่ที่ไหน อูที่เราให้เราเป็นพระขึ้นมาจริงๆริเดี๋ยวนี้คนคนโบราณเขาพูดอย่างเนี้ยญาติโยมเกียรติธรรมะแต่ญาติโยมเกียรติธรรมะพระสงฆ์องค์เจ้าเเกียรติวินยัยเขาว่าอย่างนั้นแต่เราไม่เข้าใจนะคาว่าเกียรติธรรมะนี่หมายถึงอะไรแต่ญาติโยมไปฟังธรรมะเขต้องมียกมือว่าอย่างเนี้ยยกมือปนนม เกียรธรรมะคือฟังธรรมะไม่เข้าใจง่วงนอนเนี่ยอันนั้นเขาว่าเกียรติธรรมะฟังไม่รู้เรื่องเลยเหนานอนบางคนผู้หญิงก็แควมากบางคนก็ผู้ชายก็ต้องเอาบุหรี่มาเคาะเคาะเคา๊กเ๊กทำให้มัน ง, ง่วงนอนหายไปอันนั้นแสดงว่าคนเกียรติธรรมะแต่ไม่ได้เกียรติธรรมะแต่ไม่รู้เรื่องฟังพระเทศไม่รู้เรื่องเลยไม่สนใจเพราะว่าเกียรติธรรมะให้เข้าใจอย่างนี้ พระสงฆ์องค์เจ้าเกียรติวินัยว่าไงพระสงฆ์องค์เจ้าต้องการรักษาปฏิบัติตวินัยแข่งคัดอาตมาเป็นพระหนุ่มขาวนึงอายุยี่สิบปีเปบวบทต้องปรุงอบัตสั ป, ปตาทุกเศร้าทุกเย็นกเพราะต้องการอยากให้วินัยบนนี้สุดมันไม่ใช่อยางเรามองดูได้เนี่ยหลงพ่อเป็นเนนเรียนพระปฏิโมกป์ฝันปฏิโมกได้เข้าไปในอุโบสถพระยก สแสดงโมโสดเลพระนมเน้นน้อยกว่าตาพระบดใหม่ก็ตามเบอร์ก่อนแปลภาษาบาลีไม่เรื่องฟังพระสแสดงปฏิโมกข์ง่วงนอนอย่างนี้แหละไม่รู้ว่าพระนั้นท่านแสดงอาบัตเรื่องพระวินยัยแสดงพระปฏิโมกแข์สแสดงเรื่องวินยัยพระไปฟังแล้วพระท่านสวดพระปฏิโมกไม่รู้จย่างว่าข้อนั้นเป็นอาบัตอย่างนั้นข้อนั้นเป็นอาบัตอย่างนั้นไม่รู้นอกจาง่วงนอนแสดงว่าพระไม่ได้เกียรติวินยัยแต่ฟังพระปฏิโมกข์เป็นภาษาบาลี มันก็เลยฟังไม่รู้เข้าไปในโบสแล้วกับง่วงนอนสัปปะตายแล้วกับพวกอับบะก น, นั่งฟังพระเทศนั่งฟังคนสแสดงอุปโภนะองเดียวตระติเมจตารโรปริก า, าศาจามาอุเทสขาสันติโยปนติผูกไปเรื่อยไปได้จบอิเมโฮแบบนั้นง่วงนอนบัดเดียวพระผู้ฟังไม่ไปกันหลับไปเลยอันนี้ยอดพระเกียรวินัยฟังวินัยไม่รู้เรื่องไม่ใช่เกียดวินัยไม่เคาลบไปเนี่ยเขาลบไม่เป็นดัง น, นั้นคนไทยถือาศาสนาพุทธ เอาไปทางลากทางใบทางโคนสิ่งที่เป็นยาจริงๆไม่เอาอันเป็นอย่างนี้ด้านนี้เราไปพูดทำมาให้คนฟังจริงๆเขาฟังไม่รู้เรื่องหาว่าเราเนี่ยพูดนอกแนวเนี่ยพวมกินเลือกเอาเจนเนอรอดีๆไปให้กระดูกไม่เอาให้เลยเอาเจนเนื้อดีๆไปให้กินก้างไม่ให้กินดูกไม่ให้กินเอ็นไม่ให้กินเด็บคนมันชอบกินดูกินก้างกินเนื้อเราเคยเห็นไหมอันนี้สมมตินะขออนุญาตินะ กินก้างกินกระดูกไข่หลวงพ่อเห็นแต่ห ม, มากับแมวบ้านหลวงพอ่อะ ก, ก, กินก้างกินกระดูกไข่กินเอาเนื้อมาแล้วเจ้าของกินเอาก้างเอากระดูกให้แมวกินให้หมากินมันกินถ้าเราเป็นยังนั่งกับค า, ายคายืตว์ยังเป็นคนยังไม่สมบูรอันนี้พูดด้วยความจริงใจเพราะว่าหมาก็ต้องพูดด้วยความจริงใจมาสแสดงให้คนฟังต้องสแสดงด้วยความจริงใจไม่ใช่สแสดงปิดบังอันปิดบังนะั้นเอาใจคน อย่ากให้เขายกย้ออยากได้อันนั้นอันนี้อ้าวจะไปทําไมแสดงคนจริงใจเขาทําอะไรก็คัให้เขาให้เขาทําด้วยคนสลาเขาถวายให้เราก็ต้องให้เขาถวายด้วยคนจริงใจไม่ใช่จะเป็หลอกล่อผู้เห็นเเครื่องรางของขั ง, ขงมนหยันทุกสิ่งทุกอย่างคาดผมขาาัดาสาริกาลินทองเป็นของดีทนาดเป็นของดีใครเป็นของดีของคนไม่สลา เครื่องรางของขังกระจุกมณ์นั้นมีไว้สําหรับหลอกคนโง่เท่านั้นคนสลาดหลอกมาได้คนโง่ก็คือคนมืดที่ในทับนั่นเองท่านวัดคนสลากก็เหมือนกับคนใต้กระจกใต้ไฟแยงกระจกอยู่เสมอเนี่ยนี่คนสลาดเขาว่าอย่างนั้นนี่ว่าเครื่องรางของขังกระตุกมณ์นี่จะเป็นหลอกคนสลาดไม่ได้หลอกได้แต่คนโง่เท่านั้นธรรมะก็เช่นเดียวกัน พูดทำมาให้คนเข้าใจฟังแล้วคนเข้าใจคนมีปัญญาเขาจะฟังเอาเป็นบทเป็นตอนเอาไปใช้กับชีวิตของเขาคนโง่จะจําเป็นต้องออกไปกึงสวรรค์คนโบราณท่านยังคนทางกั้วยาวไกลขั้วกว่าขั้วทางยาวก็ยาวไกลก็ไกลไปไม่ถึงวันนี้คนสลาดทา ง, งากั้งยาวไกลไปต้องถึงวันนี้ทำบุญก็ต้องการสวรรค์รักษาถินก็ต้องการสวรรค์ ทำกรรมาฐานก็ต้องการสวรรค์ทำวิปัสนาก็ต้องการสวรรค์หาเงินมากๆก็ต้องการความสุขเรียนหนัคือมากๆก็ต้องการความสุขแต่ความสุขอยู่ที่ไหนเลยไนมะ่อามาใไดเลยคนเนรียนนังสือจบปริญญาเอกเป็นบ้าก็มีวันนี้คนมีเงินมากๆเอาปืนยิงตัวตายก็มีถ้าจะเทียบส่วนจริงๆแล้วนะคนมีเงินกับคนจนเนี่ยใครตายมากกว่ากันคนรวยตายมากคนมีเงินตายมากตายเพราะเรื่องอะไร ตายเพรคิดเรืองเงินทุกใจก็เลยปืยนยินโทวตายคนจนๆเนี่ยไม่ค่อยมีค่าตัวตายถ้าคิดทเทียบส่วนแล้วคนจํานวนร้อยคนคนจนร้อยคนคนรวยร้อยคนคนจนอาจจะฆ่าตัวตายเพียงสิคนคนรวยอาจจะฆ่าตัวตายถึง30 40สิคนเป็นอย่างนั้นวันนี้คนเรียนหนังสือมากๆก็เหมือนกันคนเรียนหนังสือมากๆอาจจะเป็นบ้านหลายกว่าคนที่ไม่เรียนหนังสือก็ได้นี่มันเป็นอย่างนั้นถ้พาพระเจ้าท่าน วิภาควิจารณ์ซอกแซดหาข้อที่จะมาอธิบายให้คนฟังให้คนเข้าใจแต่คนไทยไม่ชอบผู้คนจริงคนไทยไม่ชอบอย่างที่บ้านเรานี่ก็เหมือนกันนะหลวงพ่อเคยเนี่ยพูดคนไม่ชอบหลวงพ่อเนี่เขียนหนังสือไม่เป็นอ่านหนังสือไม่ได้ท่านพูดไปยังนั้นแหนะนอกเนี่ยพูกนอกแนวจิตจิตหลวงพ่อพูดไม่ได้พูดตามพระคัลลพระยันตนะพ่อพระพุทธเจ้าเป็นคนอินเดียเนี่ย คนไทยพูดให้กันฟังก็ยังไม่เข้าใจายอยู่แล้วจะไปแปลภาษาอินเดียได้ทำไมเพียงนโมตตะเนี่ยพูดตามใจผมจริงนะนโมตษะแต่สมัยตัวตัมมาเป็นเนมกุบารนนโมตษาพระคภีรโตแปลว่าขอน่นนอมนอพระหรหโตจะว่โชกสีสมมาสมรสาพาระเจ้ารู้เองสมัยเนี่ยนโมตตะพระภโตแปลขอนอมนอนแ บ, บ่พราเปภาจะเอารหโตเป็พกกแกนียอนเดีย าการจักเจเลยกับโชคดีอันเดียวกันนะ ส, สัมมาสัมพุทธะตับโธที่ชอบเองมันพูดไปอย่างนะี้คำว่าโชคดีก็หมายถึงอะไรถ้าจยกคิดหลาดหาเงินได้มากๆเรียนหนังสือสอบได้ได้เนี่นยวันนี้โชคดีในทางพระพุทธเจ้าโชคดีคือจิตใจเป็นอิสระจิตใจไม่ทุกขันว่าอย่างนั้นเจ้าโชคดีจริงว่ารู้จักเป็นสัมมาทิฏฐิแต่ห น, นึ่งเดียวนี่ คันวัดจิตใจพิอิสระเขาจะทำอะไรก็ทำไปห็นว่าตัวเป็นใหญ่เป็นโตนี่ไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้มันเพี้ยงว่าบ้านเมืองของเราหรือว่าครอบครัวของเราหรือในสนักพวกเราต้องพยายามฟังท่านด้วท่านจะแนะนำไปโดยวิธีไห น, นต้องฟังต้องมีเหตุมีผลถ้าหากไม่ฟังแล้วการปฏริบัติธรรมก็จะผิดไปปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติตัวเรา อยู่สังคมใดไม่มีทุกข์เพราะจิตใจเป็นอิสระถ้าเรายู่กับสงสังคมใดเป็นทุกข์จิตใจยังทูกมืดเราอยู่ในถ้าเราออกจากถ้าไม่ได้ถ้าหมายถึ ง, งความมืดคือความมืดจิตมืดใจไม่รู้ผิดไม่รู้ถูกไม่รู้สวรรค์ไม่รู้นิพพานทํามื่อ่วงเงาไกลทําบุญต้องการสวรรค์ต้องการนิพพานรักษางทิ้ต้องการากาสวรรค์ต้องกา ร, ร, การานิพพานทํากรรมาน จะเลนี้ปัจนาต้องการสวรรค์ต้องการกานิพพานนิพพานอยู่ทีงไหไปไม่ถึงไม่รู้กแสดงว่าเรายังห่างไครจากความจริงทางพุทธศาสนาคำบุราณเขาจึงสอนกัาว่าทางพ่วงเงาไกลไปไม่ถึงเพราะมันไม่ถึงนิพพานวันนี้คุณ